ใจไวด้วดีอย่าให้จิตส่งลุงไปสู่สัญญารมภายนอกทำจิตให้อยู่สงบจิดจิตเฉจะไดครับสารประโยชน์จากการสดับรับฟังมาอย่างนั้นการฟังก่อจะเกิดตามลำพานหรือต้องมายุ้รือ รระแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดจำนำไปใส่คิดเมื่อปฏิบัติฉะนั้นการฟังธรรมะเควรตั้งจิตของตนให้ดีให้ตรงให้ตรงตรงไปทางหน้ามาทางหลังตั้งเอาไว้ในจิต ใ, ในใจ ส่วนธรรมะสีตังจะแดงออกไปจะรั่วไหลซื่นซาเขาไปถึงดวงใจที่ตังไวโดวยดีในจะมีความสุขความเ อ, อื้อฟืนความสบายพระธรรมะเป็นเสียงสาระสักปอกยองความปุ่งปุงความเดือดร้อนความเป็นุก าการแสดงธรรมไม่เขา้าสัมผัสกับเรื่องของจิตก็ให้ฟังเรื่องของกิตตัวเองคือที่เจรนาอารมณ์ออส่วนใดเอาไว้การแสดงธรรมไปสัมผัสกับเรื่องของจิตขอรับฟังกันไปอยู่เป็นเรืองการฟังธรรม ฟังด้วยดียอมเกิดสติปัญญาขึ้นฟังไม่ดีก็เกิดความทุกข์ความลำพาญในการสะดับรลบาฟังฉะนั้นวันนี้เป็นวันประชุมสำหรับรา่สุตสามนเนรตลอดถึงพวกอุบาสิกาที่มาจากสานที่ต่างๆไม่ว่าฝ่ายนักบวช หรือฝว่าเพราะว่าที่มายู่สถานสิจนี้ต่างคนต่าง ม, มีสัทตาคามยินดีคามพอใจมุ่งมาเพื่อปฏิบัติเพื่อกำจัดวิเลศสัณหากำจัดทวามส่วนช้ารามกออกจากตัวไม่ได้มาโดยการเหียบร้องหรือเรื่อเทินิ มาด้วยนั้นใสใจตจจัดขาของตัวเองแต่นั้นการมาถึงสถานที่พักขาอาศัยถึงวัดถึงวาแล้วบอกเพื่าการกํกำหนดปิดกำหนดใจของตนอย่าให้กังวลเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็อย่าไปติดตามเกี่ยวข้อง ส่ว อ, อนาคตจะเป็นใจขังหนาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตปัจจุบันติสใจ ค, คิดพิจารณาอะไรก็ให้กลับถ้าหากเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายตัวฝ่ายเสียขอึงณําระหรือสอนจิตให้กลับมาพิจารณาส่วนที่เป็นทางดีทางชอทางเยือกทางเย็นทางบุญทางบุญสน มี่เป็นการและนสอน ต, อ น, ตอนให้มีความสุขความสบายเพราะต่างต่างๆคนมุ่งหวังต่างใจอยากจะมีความสุขความสบายกวัญหนาันเมื่อความสุขความสบายไม่มีภายในใจจะไปใคร่จิดหาความสุขความสบายภายนอก ่าส่วนนั้นจะเป็นสุขส่วนนี้จะเป็นสุขยอมดิงบุญไปตู่ทางนอกทาหาเสียงความสุขความสบายมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของคนไม่มีอยู่ที่อื่นทางจิตของเร า, า ม, คา ม, คา ม, มราีความสุขความสงบความเบิกบานความสว่างสวัยภายในใจของคนความสุขส่วนนี้เป็นความสุข มีในตัวแล้วส่วนเรื่องอื่นภายนอกก็เลยซอยปลุกไปตามตามกันเราจะอยู่รวมไม้หรือจะอยู่ชายเขาจะอยู่ในวัดในวาดุดีวิหาราทหารจิตของเราเบิกบานจิตของเราแก่ใสจิตของเราเยือกเย็นเป็นธรรมเราจะมีความสุขขั่วไปถ้ทหาสจิตของเราเป็นฟุกจิตของเราเดือดร้อนจิตของเราวุ่นวาย จะไปอยู่ในสถานที่ใดถึงสถานที่อยู่จะดิ ด, ดีขนาดไหนใจที่เดือดร้อนยอมไม่มีความสุขฉะนั้นการฝึกอบรมใจจึงเป็นของสำคัญที่บัณฑิตผัวไปในสมัยสุทธการหรือปัจจุบันนิยมกันฝึกถ้าฝึกได้จิตนี้มีคุณค่าจิิงป่าของผัวไป ค, ค, คุณค่ณาของจิตที่ฝึกได้ที่สงบได้ที่เยือกเย็นได้เป็นของที่มีคุณค่าราคามากจึงควรพวกเราทุกท่านจะฝึกจะอบรมจิตใจของตอนให้เข้าหาความสงบสุขภายในอย่าไปให้จิตเย็น่าหรือปุ่งปรงอย่างภายนอกวิธีอุบายฝึกจิต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 ของตนที่เคยฝึกเห็นผลมาแล้วอย่าไปตับคุกทำปูดของคนอื่นว่าฝึกแบบนั้นดีฝึกแบบนี้ผิดถ้าอย่างนั้นจิตใจก็จะเกิดความลังเลสงสัยเราเคยฝึกได้ผลมาแบบไห น, นก็กคุณฝึกไปอย่างนั้นส่วนคนที่ยังไม่เคยฝึกผลอบรมทางจิตใจเราจะทำใหม่ทำดีใน คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ก็มีมากมายที่เราจะเลือกคัดจักหามาอบรมภาวานาสอนจิตของผมจากกำหนดลมหายใจให้สติอยู่กับลมก็ได้พอลมหายใจไม่เป็นกุศลไม่เป็น อ, นอกุศลไม่ดีไม่ชั่วไม่ทําให้คนกําหนดไม่ทําให้คน จิจลาลนาผิดหวังเขาพุทธายเจ้าก่อนที่จะได้สัสรู้เป็นภาษาธดาพระองค์งก็เคยฝึกภาวนาจากลมหายใจของท่านคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่สม่ำเสมอเอาสติตั้งเอาไว้ไม่ให้จิตใจพุ่งไปในส่วนอื่นผลที่สุดจิตไม่ได้ไปเกี่ยวเกาะ ขัวพันกับเรื่องภายนอกจิตก็เลยลงได้รวมได้มีความเยือกเย็นเบาสบายหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออาราังอาราังอะไรได้ทางนั้นเพราะจิตใจของพวกเราท่านสาดไม่มีเครื่องเกี่ยวเกาะไม่มีเครื่องยึดมม่อยากจะฟุ่มคลุอยติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆแต่นั้น ตามฝึอจิตให้ใสงบท่านจิงสอนทำบริกรรมให้หรือเพ่งที่นี้พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้จิตของเราหยุดย่้อย ง, อยงอยู่ในทำบริกรรมหรือในสิ่งที่เพ่งนั้นไม่ให้จิตตามสัญญาอารมณ์ขวไปเมื่อใดจิตใจยังไม่สงบรวรวม เราจะตองพริกรรมอยู่อย่างนั้นให้ผูกจิตคิดว่ากรรมาฐานที่เราภาวนาอยู่นี้เราจะกำหนดลมกว่าดีกำหนดพุโทโธธรมโมทั้งโ่าดีเป็นสิ่งที่จะนำความสุขความสบายมาให้เป็นสิ่งที่จะทำจิต ท, ทำใจให้สงบลงล้วนส่วนอารมณ์อื่นที่เราเคย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 อารมณ์ที่เราเคยติดตามหั่วไปนั้นไม่ใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจิตใจของผัวเราจรึงไม่ได้รับความอย่เย็นสบายฉะนั้นการอบรมจิตใจการฝึกจิตมั่นในคำบริกรรมหรือในลมหายใจเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ติดตามอารมณ์อะไรที่ผ่านมาหรือฟุ้งซึ่นจากใจอนอกจากทำบริกรรมเท่านั้น นอกจากการกาหนดลมเท่านั้นเมื่อเราตั้งมั่นอย่างนั้นจิตใจที่เคยสายแสเอหันไปตามเั้นยาวต่างๆจะสงบจะรวมรวมและได้ความสว่างสวัยได้ความเยือกเย็นเรื่องของใจจึงจะเกิดศรัทธาร่าแข็งขึ้นเพราะความเป็นความเห็นรสชาติของความสงบสงัดได้มาสัมผัสกับตัวของเราแล้วเราเห็นเด่นชัด และความสงบสงบมีความสุขความสบายอย่างนี้ความเชื่อที่อยากจะกจะ ท, ทําบําเพ็ญเกิดทวีภูนศึกเมื่อมีความเชื่อความเพียนกดติดตามมาสัญชาดิริยะจิตตะดิมังสาซึ่งเรียกว่าอิธิบาทเก็บพร้อมในจิตจี่เห็นจี่เป็นอย่างนั้นทำทำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนบุคคลให้มีความเยือกเย็ยนเป็นสุข ท่านสอนไปแบบนี้และผู้ที่ได้ที่เห็นที่เป็นมาท่านกรอฝึกมาแบบนี้พวกเราท่านทุกคนมุ่งหวังอยากจะให้จิตของตนเป็นปูน่โสมุ่งหวังอยากจะให้จิตท้องตนคน้นกิเลสกอพึงเดินตามถนนนทางที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเชื่อเรื่องท้องมารรือโดยมากมากอยากจะ มีมานมากระคิดไมเหลือเว ล, ลาภาวนาไหวหนั่งอย่างนี้ทาอย่างนี้ไม่ถูกเลียดเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเหื่องของมานไปจิตใจก็เลยไม่ได้รับความสุขความสบายอะไรแต่นั้นวันนี้เป็นหน้าขี่ของพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาฤปฏิบัติทางพระพุพทธศาสน า, า, าที่ ทำจิตทำใจของตนจะให้กังวลกับเรื่องอื่นภาวนาหาความสุขจากจิตให้ได้จิตมันเบามันสบายอย่างไรจิตมันเป็นไปอย่างไรก็ไม่ใช่ใครอื่นที่จะเห็นหตัวของตัวเองที่มีสติที่นี้ที่เจรณาอยู่นั้นแหละจะเห็นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นตันที่ตีโก ผู้กระทำวอมเพนจะต้องเห็นเองในความเป็นความไปอยากละเอียดอย่างไรจะรู้จะเข้าใจจากการเห็นการเป็นของตัวถ้าไม่เห็นก็น้าฟันที่จะไม่เชื่อเรื่องของศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์หรือพระศาสดาสอนเล่นศาสนาเป็นโมฆะก็เลยไม่มีความเชื่อความเหลื่อมใจ คือว่าพระเจ้าพระสงฆ์บวชเรียนเช่นอา่านอยู่ในวัดในว่าเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบในทํามาค้าขายอะไรยินแ่อาหารหรือนุ่งห่ม้าควาพวนสบายคือคนอื่นหามาให้เลยคือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีสาระประโยชน์อะไรในความเห็นมันจะเป็นไปเพราะสมัยนี้โดยส่วนใหญ่ มันเป็นไปแบบนี้คนที่เห็นที่เป็นไปแบบนี้ก็ไมเ่เคยฝึกเคยอบรมทางจิตทางใจได้แต่เนื้อแคกคิดก่าท่านเอาเสียบคนอื่นแต่ตัวของเขาเองเมื่อเข้ามาบวชเข้ามาฝึกซ้อมด่านภาวนาหรืออยู่วัดอยู่วาบังทับกาออยวาจาและน่ำใจพงตลมอย่างพระเจ้าพระสูง เขาจะรู้จะ้อใจว่าเป็นพระเป็นแนนเป็นของลําบากไม่ใช่ค้องง่ายหาว่าเป็นค้องง่ายเป็นของสบายได้เกียรพวกฆราวาสญาโยมแล้วพวกนักบวชจะมีดาดดื่นที่เป็นฆราวาสญาโยมจะมีน้อยเพราะใจต่อชอบความถูกความสบายนี่ไม่เป็นอย่างนั้นฝ่าจะเป็นพระเป็นแนนเป็นครูเป็นอาจารย์คนได้ต้องฝึก รม า, น า, ามนากายใจมาพอต้องปวดตาดีธรร ม, มาดาทวดทเป็นตาบอดตูดขีดเคยชอบเคยเห็นก็ไม่เห็ไปดูหูขี่เคยรับฟังเสียงต่างๆก็ไม่เห็นแต่รับฟังมันเห็ น, ไ ป, น, หนไปฟังในส่วนนั้นใจขี่เคยคิดคิดขอ้อปุ่งจุง ไปในเรืองทองโลกต่างๆพะหกักห้ามมันเป็นของลำบากของยากไม่ใช่เล่นเียนนั่นเป็นพระเป็นเ น, นอยู่ในวัดในวายังมีส่วนน้อยผู้ที่ฝึหกหัดดัดตัวได้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการฝึกตัวเองเห็นรสชาติของฟศ า, าสนาที่ฝึกอบรมมาเชื่อมั่นว่ามักผลทำต่าสงสอนของพระพุทธเจ้าอย่างคงเกณนคงวา ผูกปอพืชปฏิบัติรู้เห็นเป็นอยู่เฉพาะตัวของตัวอย่างนี้จึงจะอยู่ในพระพุทธาศาสนายืนยงคงคนไปได้พอเห็นคุณค่าของเรื่องของศาสนาถ้าหากไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยการจิตตาราก็ยังมีเวลากาหนดออกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนส่วนการเป็นชาเป็นเนน ท่านก็ไม่บังคับบัญชาอย่างนั้นแต่พ็กลำบากยากเย็นเป็มชาเต็มเนยนจะไปดูหนังทางเพลงต่างๆเหมือนนักโกดในดักผิดท่าธรรมดีในคำสั่งสอนของพระพุจจทธเจ้าเียดนั้นจึงมีการปักขังอยู่ทุกวันทุกเวลาทาเป็นตาบอดหูหูปากอีกเคยพูดถามใดตามเรื่องต่างๆก็มีการหักห้ามเอาไว้เหมือนกัน การเป็นชาตเป็นเนรจึงเป็นของลำบากเป็นของยากสาหรับบังคับตัวเมื่อบังคับตัวได้รู้เห็นเป็นขึ้นจากอาจทำสี่พระพุทธเจา้าแนะนำธรรมสอนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นอะไรกว่าจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอํานวยให้เผ่ากับเป็นเพจชะเพจเนรเพราะเพจชาเพจเนรไม่มี การ ง, งานด้านอื่นน อ, อกจากจะฝึกอบรมตัวน อ, อกจากจะทําจิตทําใจให้เ ย, ยือกเย็นให้ไปจากในในธรรมเหล่านั้นก็เลยเชื่อมัน่นแล้วกบยินดีในความเป็นอยู่ของตัวค ร, รูอาจารย์ที่มีอายุยืนมาและได้แนะนำสอสอนฝวกษานุจิตขอเคาะท่านคิดท่านุงท่านฝึก ท, ท่านซ้อมของท่านมาอย่างนั้น จนเห็นผลประจัดชัดเจนแต่เรื่องของจิตเป็นนามธรรมไามใ่ใช่วัตถุดีเด่นเป็นอย่างไรจะยกมาให้คนอื่นดูเหมือนวัตถุภายนอกไปได้เหตุนั้นผูกฝึกผูกอรมจิตใจเพียงบอกแต่อาการความเป็นไปเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดเข้าไปก็อบอกไม่ได้ เพราะจะต้นมนุติไม่ถูกก็รู้ก็เห็นก็เด่นอยู่ในดวงจิตของท่านที่สันเป็นสั่นเห็ี่เฉพาะตัวของท่านฉะนั้นพวกเราท่านอยากเชื่อมัน่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าอยากเป็นผู้มีความสุขความสบายในกายในจิตขอพึงฝึกอบรมเรื่องภาวนาขอาไปจิตใจจิตเคยฟู้กปรุงจิติตข้องในเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆ จาสงบตรงไปเท่าไรมันก็จะไม่ไปเพราะเห็นว่าเรื่องภายอกเป็นของผิดไม่มีสาระประโยชน์นอกจากการกำหนดจิตกำหนดใจปล่อยปาล่าวางสัญญาอวมต่างๆให้เข้าไปอยู่เอเสตเทศั้งแก่เฉพาะเรื่องของผิดท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้น ฉันจึงเชื่อมั่นว่านิลามิตสุขเป็นความสุขอันเลิศไร้เทิดกว่าความสุขของอาตม์ภายนอกใครจะยกสมบัติจะถามอะไรให้ถ้าหากฉันเป็นฉันเห็นฉันรู้ถึงอักธามภายในใจจริงจังเชื่ออย่างเต็มร้อยเปรเซ็นต์บาทท่านองค์นั้นจะไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องภายนอกท่านจะเชื่อมั่น ยึดมั่นอยู่ในหลักของธรรมสม่ำเสมอไปเพราะความสุขของธรรมเป็นความความสุขที่เด่นปรเสริฐสุดยิ่งกว่าความสุขของโลกสันจึงว่านักสิสันติพลังสุขังสุ ข, ข, สขอืน่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนั้นเป็นอย่างไรเราทีงยังไม่เห็นไม่เก็นไป ในการศึกษาในการภาวนารครอบครัวจะสุ่มเดาเอาได้ความสงบของกายที่ไมุ่ีโรคภัยใข้เจ็บเดียนเบียนเราขอบครจะทําการทํางานหรือไปที่ไหนมาที่ไหนได้สะดวกสบายความสุขความสงบขอ ง, ของครอบครัวเราทารกไม่ทะเลาะเบาแวงกันมีความสามัคคีสมเคียวกัน ครอบครัวนั้นก็มีความสุขตามฐานะหน้าที่ตามสุขของวัดวาศาสนาและเ น, นเ้นไนม่อเต็มไข่แเน้นเมืนมีการทะเลาะเบาแหวงกันก็มีความสงบสงสัดปฏิบัติธรรมได้เป็นเนเต็มหนวดความสุขของโอของประเทศชาติเหมือนกันเกิดขึ้นจากคว า, ามาสงบจะมีความสงบแล้วมีความสุขจิตใจของเราห้ามันสงบ ไม่ปุ้งรุ่มไปสู่สัญญาอารมณ์ภายนอกคิดแต่ทางอัจทางทาทางละทางถอนเรื่องชั่วออกจากจิตอยู่สำมันเสมอจนจิตละทำชั่วทุกสิ่งทุกอย่างจิตด้จิตค่คค้องสงบราบภาบลงไปเรื่องอะไรที่เป็นเรีนน่องหนามต่อใจไม่เลยแล้วจิตสงบเต็มที่ กรมีความสุขอันไปเนสรวนพิเศษเกิดขึ้นจากจิตเองเพราะจิตไม่มีโรคไทยไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแทงเหความสุขของศาสนาความจริงศาสนาก็ไม่ใช่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในคนเราทุกคนคนเรานี่แหละเป็นตัวศาสนา ผู้ที่จะยังศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืงองกอเพราะมนุษย์เราผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมร่วมโจมลงไปก็คือมนุษย์เราความสูขความทุกข์ความมีความชั่วเป็นตัวของศาสนาแล้วใครเป็นคนว่าคนทําปกคนเองเป็นคนไปทําไปว่าหรือใส่เรื่องนอยู่ที่อื่นศาสนาหาคนที่จะเรียนเรื่องของศาสนา เข้าใจชัดเจนว่าตัวของมนุษย์บุคคลนี้เป็นตัวของศาสนาก็าะจะไม่มีการนึดเบียดเบียนกันไม่มีการคิดจะร่างศาสนาก็าะจะเป็นวาศาสนาคือศาสนาเสียเพราะตัวของตัวเองเป็นตัวศาสนาเราทําดีถึงจะไม่ได้ติดสา ข้าสานามาพระพุทธเจ้าประวัต so, ิธรมถูกสอนตามครรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะครรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผั่วไปยัมีมากมายขนาดไหนตัวสรุปลงแล้วว่าสรรพปราปตะกรณังท่านทั้งหลายอย่าไปความทั่วความทั่วทางกายก็อย่าไปจต่ความความชั่วทางวายใจก็อย่าไปพูดทวาความชั่วทางใจก็อย่าไปคิด อุตสาหสูงประจำปัญหาใส้ถึง น, น้อมดูดทานสุขผลคือให้ทำดีทางกายทางวาจาทางใจนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนที่ที่นี้พิจารณาอย่างนี้ก็จะรู้ว่าศาสนาอยู่กับตัวมนุษย์เราไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะความชั่วอยู่ในจิ่ไดความดีก็อยู่จะอยู่ในที่นั้น เหมือนกันกับความมืดตามสว่างถ้าเราดับไฟลงไปหรือไม่มีแสงทิดแสงกันความมืดก็จะเกิดขึ้นถ้าหากมีแสงไฟตามสว่างอยู่หรือมีแสงถ้าทิศแสงให้กันความมืดก็จะหายออกไปมีความดีความชั่วก็ อ, อยู่ในตัวของเราอยู่ในใจถ้าหากเรามีทำมีวินัย จิตใจเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังเรื่องข้องโลกเรื่องท้งอ ง, ทงส ม, มุติเรื่องความชั่วต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหาเราเป็นคนชัวน่วอาจทำรมต่างนซึ่งเป็นของดีดิเศษก็ จ, จะไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันดังนั้นกายใจของเราจึงเป็นต้นของศาสนาวรนที่เราจะศึกษาวรนที่เราจะทินิทิเจลนาหา เลือกเป้นเอาตังแเกรฝายดีภ า, ายสาั่วภายต่ำฝายเสียจำจัดปัดเป่าออกไปพอใจเป็นของที่ฝึกได้ไม่เหลือวิสัยถ้าจังใจสุกอบรมจริงจังใจเห็นจะเป็นขึ่นเพราะทำคำสั่งสอนเขาพระพูดเ จ, จ้าสี่อสอนมามีผู้รู้ผู้เห็นเป็นพ ย, ยานกับภะษาสดามานับไม่ขวดถ้าหากพวกเรา ที่นี้ที่เจนน่ะฝึกซ้อมปฏิบัติตามคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราบุคคลหนึ่งจะรู้จะเห็นจะเป็นทยานของพระพุทธเจ้าดั่งแบบความสุขของมนุษย์ความสุขของคนนั้นไม่มีอยู่สถานที่ใดมีอยู่ในกายในใจความสงบเป็นความสุขอันเลิศอันไปเสด็จจะรู้จะเข้าใจถึงไม เขาถึงท่านสงบข้นกินเลสเสี ย, ยงสงบจากอารมณ์สัญนญาินวรณทั้งห้าเ่นั้นก็จะได้รับความอาศัศจรรย์เชื่อมัน่นในธรรมำคำสอนดังนั้นพวกเราท่านที่ตั้งนาตัางตามาศึกษามาภาวนามาหาความดีประกอบคืงแนะสอนตัวในทีนี้ที่เจณานำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปปัดเป่ากิเลสตัณหาภายในกายวายจา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 ถึงจิตสุดมนี้ผ่นานทั่วไปต่อตามแต่จิตของเรายังมีกิเลสปัญหามาณนาทิพย์ยังเมืดบนอนทาการยังวิ่งบุญตามสัญญารมต่างๆกิเลสยังแทบเขาเร่าร้อนอยู่ทุกการทุกเวลาคนอื่นเขาจะดีเป็นเหลืองข้องเขาแต่เรายังชั่วอยู่พอได้ชื่อว่าปูไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นส า, นารน่รคคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นศาสนาธรรมคําสั่งสอนยน้ามาก็คือกายวาจาและน้่งใจฟ้องตัวไม่ได้อยู่ได้สถานที่อื่นเมื่อเรารู้เราเข้าใจว่ากายของเราใจของเราเป็นที่ตั้งของศาสนาธรรมคําสั่งสอนแล้วส่วนใดที่จะเป็นสาระประโยชน์ส่วนใดที่จะนําความสว่างสวัยความสุขความเจเริญมาให้ปกือต่างหน้าต่างตาปกือรปฏิบัติส่วนใดที่ เส้นสายเสื่วสายเสียก็พึงกำจัดปัดเต่าออกไปเมื่อทุกท่านตัางหน้าต่างตาพิจารณาและปฏิบัติอย่างนี้คุณงามความดีจยังไม่ได้ไม่ถึงก็จะได้แต่ถึงต่อไปนิมุตเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรจะสราบชัดภายในใจผูกพิรุธปฏิบั ต, บติแต่นั้นจึงขอเชิญชวนหรืออาราธนาทุกท่าน ใช้ตั้งหน้าตั้งจาประพฤตปฏิบัติอาจทมอย่างเสียที่บายมา